ต่อไปอัฏฐะที่ยังไม่ได้กําหนดรู้อปริญญาเนี่ยนะเป็นพืชแห่งวิญญาณออพืชแห่งปฏิสนธิเนี่ยเพราะไม่มีวิญญาณก็คืออะไรพืชแห่งวิญญาณก็คือการปฏิสนธินั่นแหละปฏิสนธิตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากทําไม่ได้ทําปริญญาไม่ได้ทําปริญญาด้วยโสดาปฏิมาคเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณในอบายจึงเกิดขึ้นหรือปฏิสนธิเนี่ยในภพที่แปดจึงมีขึ้น เพราะไม่ได้ทําปริญญาในสก่าทาคามิมักหรือไม่ได้ทําปริญญาด้วยอํานาจสกาทาคามีมักปฏิสนธิในภพที่สองจึงเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทําปริญญาด้วยอนาคามีมักจึงปฏิสนธิพืชแห่งวิญญาณการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณในภพกามะภพทั้งหลายจึงมีขึ้นเพราะไม่ได้ทําปริญญาด้วยอรหัตตมักปฏิสนธิก็ยังมีอยู่พืชแห่งวิญญาณผีชะเมล็ดแห่งวิญญาณจึงเกิดขึ้น การเพาะปลูกในวัฏฏะจึงเพาะขึ้นของเราเนี่ยเพาะที่ไหนไม่ขึ้นบ้างนี่ไหมดูถ้ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วไม่ปฏิสนธิเลยหาเจอหรือยังเอามีพระไตไปดกเป็นอารมณ์ยังเกิดไหยเกิดนะตกลงว่าของเราเนี่มันเพาะได้ทุกแห่งเออจริงๆนะเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกง่ายมากโซ่พโสดาบันไม่แน่พัสดารบันปลูกยากยากปลูกในนรกก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกในเปลือกปลูกอสุรากายปลูกเดรัจฉานก็ปลูกไม่ขึ้น ลูกเป็นสัตว์บกสัตว์น้าปลูกไม่ให้ปลูกขึ้นง่ายๆนะพระโสดาบันเนี่ยปลูกยากแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้มีปริญญาอะไรเลยเนี่ยพวกนี้ปลูกขึ้นปลูกที่ไหนก็ปลูกขึ้นเพราะไม่ไม่ได้ทําปริญญาเนี่ยนะไม่มีปริญญาไม่ได้กําหนดรู้นี่แหละนะไม่มียาตะปริญญาตีรณะปริญญาแต่ที่ตรงนี้หมายถึงปหาณะปริญญาเนื่องจากไม่มีปหาณะปริญญาด้วยอํานาจโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหลปะปฏิสนธิในพบต่างๆจึงเกิดขึ้นมีขึ้น ความไม่ขาดสายย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปใดโวหารว่าสันติย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปนั้นพอปฏิสนที่วิญญาณหยางลงและอะไรเกิดขึ้นนามรูปก็หยางลงเมื่อนามรูปหยางลงตามปฏิสนที่จิตการสืบต่อเป็นไปก็ย่อมมีขึ้นเนี่ยนะว่าถ้าปฏิสนที่จิตหยางลงในนรกนามรูปในนรกก็ เจริญเติบโตก็ถูกเผาอยู่ต่อไปถ้าปฏิสนธิในเดรฉานเกิดขึ้นนามรูปก็ยังลงเจริญเติบโตเป็นสายพันธุ์ของสัตว์เดรชาห์สืบเนื่องไปถ้าปฏิสนธิยังลงในหมู่มนุษย์นามรูปทั้งหลายก็ยังลงสืบเนื่องกันต่อไปถ้าปฏิสนธิในเทวดาทั้งหลายนามรูปก็ยังลงก็สืบเนื่องกันเป็นไปถ้าปฏิสนธิในอสัญญาสัตตาพรหมรูปก็สืบเนื่องเป็นไปถ้าปฏิสนธิในอรูปปพรหม นามก็สืบเนื่องไปถ้าปฏิสนธิในปัญจโวการพบทั้งนามทั้งรูปก็สืบเนื่องไปสืบเนื่องไปเรียกว่าสันตติเพราะกสันตตินี้อาศัยอะไรก็อาศัยความเป็นไปของนามรูปที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างความสืบต่อแห่งจักขผูกภาษาท่าโสตภาษาธา่าคานะชิวหากายรยาภาษาท่าไล่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันเนี่ยไงตานี่สืบเนื่องมาตลอดหูก็สืบเนื่องมาจมูกก็สืบเนื่องมาลิ้นก็สืบเนื่องมา กายผมกายคือผมกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยไหลสืบเนื่องมาพวังขจิตเป็นต้นก็ไหลสืบเนื่องมาเจตสิกทั้งหลายก็ไหลสืบเนื่องกันมาเขาเรียกวโวหารว่าสันตติก็เพราะมีในการเกิดแห่งนามรูปนั้นถ้าไม่มีนามรูปเกิดขึ้นโวหารสันตติความสืบเนื่องเป็นไปอย่างนี้จะมีได้ไหมมีไม่ได้กระแสแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไหลสืบเนื่องมาอย่างนี้แหละ โหารว่าสัมปติย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปใดความเกิดจากเหตุย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปนั้นโหารว่าสัมปติเนี่ยอาศัยนามรูปใช่ความเกิดจากเหตุเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนามทั้งรูปก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุนามรูปจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุเพราะเหตุเนี่ยแหละเป็นตัวปัจจัยําจุน ถ้าตาไม่อาศัยปัจจัยคําจุนมาตาจะสืบเนื่องมาอย่างนี้ไหมโหก็เหมือนกันถ้าไม่ถูกเหตุสืบเอกือ้อกูลมาเนี่ยโหจะเป็นมาได้อย่างนี้ไหมก็อาศัยเหตุและปัจจัยเนี่ยนะเกื้อกูลให้นามกับรูปนามคือจิตเอ่อนามคือเจตสิกทั้งหลายรูปคือกรรมมารูปทั้งหลายที่สืบเนื่องกันมาอย่างนี้ก็อาศัยเกิดจากเหตุเนี่ยนะเหตุก็ทําให้เหมือนไในนะรถวิ่งอยู่ได้ก็เพราะอาศัย น้ำมันมีลอ้อเป็นต้นมีลมมีองค์ประกอบนะรถก็เลยยังวิ่งอยู่บนถนนได้ฉันนั้นเหมือนกันชีวิตของเราที่เป็นรถเล่นอยู่ในวัฏฏะก็เหมือนการอาศัยเหตุปัจจัยทําให้โลดเล่นอยู่ต่อไปเนี่ยนะความเกิดจากเหตุย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปใดผลย่อมมีเพราะการเกิดแห่งนามรูปนั้นนามรูปเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุ เมื่อนามรูปที่เป็นเหตุเกิดขึ้นผลแห่งนามรูปก็เกิดขึ้นเมื่อผลอะนะความเกิดผลย่อมมีในการเกิดแห่งนามรูปใดปฏิสนธิย่อมมีเพราะการเกิดแห่งนามรูปนั้นหมายคําว่ามีเขาบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณนี้อาศัยอะไรบอกอาศัยนามรูปและนามรูปอาศัยอะไรอาศัยปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัย ปฏิสนธิวิญญาณ Marly? มันก็อาศัยสืบ <S 2> <S 2> สเนื่องกันไปอย่างนี้ปฏิสนธิย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปใดพบใหม่ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปใหม่เอ่อนามรูปหมายถว่าถ้าปฏิสนธิอย่างลงนามรูปก็อย่างลงถ้านามรูปอย่างลงปฏิสนธิจิตก็อย่างลงเมื่อปฏิสนธิจิตวิบากกรรมชรูปเกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าพบใหม่พบใหม่ย่อมมีในการเกิดขึ้นแหง่งนามรูปใด ปริพเท์ความขัดข้องย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นหลังจากที่เราปฏิสนธิมามีนามมีรูปสืบเนื่องมานะกังวลตลอดเลยกังวลเมื่อมีตาแล้วเราจะดูอะไรปริพเทศไหมเมื่อมีหูเราจะฟังอะไรเมื่อมีจมูกเราจะรับกลิ่นอะไรจะไปดมอะไรดีเมื่อมีลิ้นเราจะกินอะไรเมื่อมีกายนะเราจะให้กายเหล่านี้อยู่ได้อย่างไรเมื่อมีใจเราจะมาคิดอะไรเราจะรู้อะไรก็เลยมีแต่ ความขัดข้องความขัดข้องตัวนั้นมาจากปริโภทศความปริโภทศความเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็เกิดมาจากมีนามรูปถ้าไม่มีนามรูปเหล่านี้เราจะห่วงใหญ่ไหมถ้าไม่มีตานะเราจะห่วงสีไหมถ้าไม่มีหูเราจะห่วงเสียงไหมถ้าไม่มีจมกูกเราจะห่วงกลิ่นไหมถ้าไม่มีลิ้นจะห่วงรสไหมถ้าไม่มีกายจะห่วงโพธาภะไหมถ้าไม่มีใจจะห่วงเรื่องราวต่างๆไหมไม่มีเพราะฉะนั้นปริโภทศก็ย่อมเกิดจากนามรูป นามรูปนามรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจก็เป็นนามนามรูปเหล่านี้นี่แหละทําให้เกิดความขัดข้องนะขัดข้องเช่นขัดตาเคยเคยไหมขัดตาเป็นยังไงขัดตาจริงไม่ได้ขัดอะไรมันอยู่ไกลนะบางอย่างนะแต่ว่ามันขัดตาเหลือเกินเป็นอะไรมันขัดหูเหลือเกินเป็นยังไงขัดหูขัดจมูกเป็นหวัดหรือเปล่านะขัดลิ้น ขวางลิ้นนะ่ยนะทาให้แม่อร่อยเลยรยังไงดีกว่าขัดคอก็แล้วกันนะขัดลิ้นก็ดีกว่าขัดคอนะอ่ะถ้าขัดทางกายเน่ะปวดเมื่อยหรือเปล่าก็คือขัดและขัดใจอะไรเป็นยังไงมันก็เรียกว่าสรุปว่าปริพเทศเนี่ยมันเป็นคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยปกปกักรักษาตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่ใช่จะเอาใจมันง่ายๆนะเอาใจตาดูสิแต่งยังไงให้มันถูกตา ไม่เชื่อลองแต่งสวนดูดีกว่าจะถูกตาได้ในเว้นแต่ขี้เกียจเมื่อไหร่นะัโอ้ดีแล้วดีแล้วถ้าขี้เกียจนะัดีหมดเลยแต่ถ้ายังขยันอยู่นะโอ้ไม่ไ ม, ม, มทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันปรยพดเนี่ยมันเกิดจากนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีความปรยพดเปริยพดความเป็นห่วงเป็นใยก็เนื่องจากอาศัยนามรูปเพราะมีนามรูปนี้จึงมีปริโพดแต่ของเราเชื่อไว้ไปโทษแต่ข้างนอกหมด ไม่เคยโทษเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เคยโทษเพราะว่าเนี่ยเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแท้ๆเลยมันจึงมีแบบนี้โทษข้างนอกหมดเลยนะดีอยู่คนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าความขัดข้องย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปใดความเสียดแทง ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นพอมีปริโภคตก็กิเลสก็กลุ่มรุมเลยใช่ไหมกิเลสก็กลุ่มรุมอย่างที่กล่าวตอนตอนนี้ว่าถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นอกุศลก็ตามมาถ้ามีอกุศลเกิดขึ้นความเสียทแทงคือปริยุทธานบาปอากุศลทั้งหลายก็กลุ่มรุมบาปอากุศลทั้งหลายก็ครอบงําและกลุ่มรุมเมื่อความเสียดแทงคือบาปอากุศลกลุ่มรุมที่เกิดจากนามรูปใดความไม่ตัดขาดย่อมมี ในการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นพอกิเลสกลุ่มรุมเนี่ยนะกิเลสกลุ่มรุมเสียแทงเพราะอาศัยนามรูปก็เลยไม่เจริญอะไรเพื่อที่จะตัดการสืบต่อของนามรูปไหมแปลนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยชอบคิดตัดเฉพาะหน้าแต่ว่าโซดาปฏิมักเนี่ตัดอะไรโซดาปฏิมักตัดในภพที่8นะตัดปฏิสนธิในอบายเป็นต้นเนี่ยนะเข้าไปมุ่งไปตัดให้ข้างหน้าทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้มุ่งไปตัดอะไรแค่ แค่คิดจะตัดเฉพาะหน้าแต่ตัดโครงการระยะยาวทั้งนั้นเลยนะนะตัดโครงการระยะยาวแต่ที่นี่เนื่องจากไม่มีการถอนนะนะไม่ตัดขาดพอไม่มีการตัดขาดอนุัยก็ได้ช่องเลยทุกอย่างก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งอนุัสใช่ไหมอนุใัย่อมมีการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นอนุสัย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปใดรูปนามรูปใดที่ยังมีอนุัยอยู่นะ การไม่แทงตลอดย่อมเกิดในนามรูปนั้นนามรูปใดที่ยังถอนอนุสัยไม่ได้เราเคยตรัสรู้ไหมนามรูปนั้นตรัสรู้ไหมไม่แสดงว่านามรูปนั้นไม่ได้รับการตรัสรู้เลยไม่มีการตรัสรู้จากนามรูปนั้นเลยเช่นว่าบาปอกุศลเนี่ยนะสมมติว่าจักขุยังไม่ได้รับการถอนอนุสัยก็ถือว่านอนเนื่องอยู่ในจักขุเพราะว่าจักขุเป็นที่อาศัยเกิดแห่ง อนุัยอนุสัยที่มันเกิดเพราะจักขู่เคยแทงตลอดไหมว่าจากักขูจักขู่สมุทยัยจกักขูนิโรจักขูนิโรธคามิ น, 2050, นีปฏิปทาก็ไม่มีเมื่อไม่มีนี่แหละเรียกว่าการไม่แทงตลอดพัอนอนุใสเนี่ยถือว่านอนเนื่องในสิ่งที่ตัวเองยังไม่แทงตลอดถ้ายังไม่ตรัสรู้สิ่งใดอย่าคิดนะว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอนุใสยอย่าคิดว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งการมาราคาอนุใสยพยาบาทอนุใสเป็นต้น ทเรว่ปฏิคานุสัยเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้แทงตลอดอริยสัจอย่าคิดนะว่าอนอุสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยเนี่ยนี่ถามว่าถ้ายังไม่ตรัสรู้ไอการไม่ตรัสรู้ไม่แทงตลอดย่อมมีในนามรูปใดอวิชชาอาวิชชาคือการไม่รู้ก็มีในนามรูปนั้นอวิชชาความไม่รู้ย่อมมีในการเกิดนามรูปใดวิญญาณที่เป็นไปพร้อมกับ อาสวะในสิ่งที่ยังไม่ได้กำหนดรู้คือยังไม่ได้ทำปริญญาย่อมมีในการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นที่จริงก็ปฏิจจสมุปาแต่ใช้อีกสำนวนหนึ่งที่มันไหลวนๆๆอีกในหนึ่งะนะก็คือกระแสแห่งวัตตะอีกสำนวนหนึ่งนั่นเองวิญญาณที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะสาสวะวิญญาณก็คืออะไรคือกามะอะไรนะโลกิยะเจตนาหรือโลโลกิยะจิตที่ท อกุศล12มหากุศล8มหาคตากุศลอีก9ก้ะทิฏวิ ญ, ญญาณที่เป็นสาสะสวะเนี่ยนะหมายความว่ายัางเป็นอารมณ์ของอาสะวะหรือมีอาสะวะเป็นปัจจัยหรื อ, อยังเป็นอารมณ์ของอาสะวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้กําหนดรู้ย่อมเกิดเพราะนามรูปนั้นวิญญาณที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะยังไม่ได้มีการกําหนดรู้ย่อมมีเพราะการเกิดแห่งนามรูปใดอัตตะเป็นเหตุแห่งพืชพันธุ์ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งนามรูปนั้นเพราะ นามรูปเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชามีอะไรเป็นปัจจัยอวิชามีการไม่แทงตลอดเป็นปัจจัยไม่ไม่ได้ปฏิเวทแล้วไม่ที่ไม่ปฏิเวทก็เพราะมีอนุสัยเป็นปัจจัยอนุสัยมีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะว่ายังไม่กิเลสยังไม่ได้รับการถอนเป็นปัจจัยที่ยังไม่ถูกถอนเพราะอะไรก็เพราะกลุ่มรวมที่กลุ่มรุมเพราะอะไร พพพเพราะปริพเที่บปริโภที่ยบพ่ออะไรก็เนื่องจากว่ามันมีปฏิสนธิในภพใหม่ปฏิสนธิในภพให ม, ม่มีพ่ออะไรก็เพราะเพราะมีนามรูปนั่นแหละนามรูปมีพ่ออะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีพ่ออะไรก็สาไปเถอะมีหน้าอยู่ทนกันเหลือเกินเห็นไหมบอกโอ้ถ้าเรื่องอย่างนี้ทําเป็นอดทนนะนะว่ากันว่าตาเนี่ยทาเป็นทนได้โทษดิเพราะมันยังแปลกใจนะว่าศึกษาธรรมะนะเข้าใจยากนี่นหน่นนนอ ย, นอ ย, นอยทนไม่ได้ แต่วัฏตานี่มันยากยากยุ่งยุ่งทนได้เสมอ อ, อคิดดูนะงงอยู่เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นทนทนทนท น, ทนจริงๆเลยนะก็วัฏตามันเป็นอย่างนี้แหละมันต้องเป็นหนักใจอะไรหรอกนั่นนะเอาหนักใจเป็นกุศลหรืออกุศลหาทางออกหรือว่าออกได้ยังไงเหมือนกันต่อไปนะสมาธิขันเนี่ยเป็นสี่ละขันเป็นปัจจัยแห่งสมาธิขัน สมาธิขันเป็นปัจจัยแห่งปัญญาขันปัญญาขันเป็นปัจจัยแห่งมิมุติขันวิมุติขันเป็นปัจจัยแห่งวิมุตติญาณทัศ น, นขันโดยปกติแล้วศีลสมาธิปัญญานี่นะสับเหล่านี้หมายถึงโลกิยะและโลกุตระศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระศีศีลที่สมบูรณ์ก็คือขณะโสดาปฏิมัก แต่ก็มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณถ้าศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์นั้นก็เป็นอนาคามิมัคมีปัญญาพอประมาณถ้าศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ก็เป็นอนาคอารหัตมัคนั้นผลของอรหัตมัค ก, ก็เป็น อ, ร ห, นน ร, อรหัตผลมันพออรหัตผลเกิดปัจเจกขณะยานก็เกิดขึ้นวิมุตติย า, านทัศนคานก็คือปัจเจกขณะยาน ศีลเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยแก่วิมุตคือโสดาปฏิมัติโสดาปฏิพนอนาศีลสมาธิปัญญาก็เป็นปัจจัยแก่สกทาคามิมัติสกทาคามิพลศีลสมาธิปัญญาก็เป็นปัจจัยแก่อนาคามิมัติอนาคามิผลศีลสมาธิปัญญาก็เป็นปัจจัยแก่อรหัตมัติและอรหัตพน ทนี้พวกผลเหล่าน sure ี้ถือว่าเป็นปัจจัยแก่ปัจเจกขณะยานเช่นโซดาปฏิพนเกิดขึ้นดับไปหลังจากนั้นก็เกิดปัจเจกขณะยานสกาธาคามีผลดับไปก็เกิดสกปัจเจกขณะยานอนาคามีผลดับไปก็เกิดปัจเจกขณะยานอรหัตผลดับไปก็เกิดปัจเจกขณะยานความเป็นผู้รู้จักครบกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยแห่งความเป็นผู้รู้ปีติ เกี่ยวกับส ป, ปายะธรรมปีติแปล ว, ว่าความเอืบอิ่มใจใช่ไหมเอืบอิ่มใจในธรรมะที่ตัวเองได้เจริญได้ปฏิบัติมาเนี่ยนะความเจริญเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากการครบกัลยาณมิตรนะปีติปราโมทย์ในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการรู้จักคบกัลยาณมิตรเพราะการครบกัลยาณมิตรผู้ใดที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเขาจะทําให้เราเนี่ยมีปีติในกุศลธรรมแต่ถ้าคบแล้วแห้งใจก็ไม่น่าใช่อ่ะ บางทีครบแล้วยิ่งเศร้าใจใช่ไหมยิ่งแห้งแรงทุกวันทุกวันเฉาตาอยู่ทุกวันทุกวันอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรที่ดีที่ถูกต้องก็ทําให้มีปีติเกี่ยวกับธรรมที่เป็นสปายะบาลีเรียกว่าอัถันยุตาเป็นปัจจัยแก่ปีตันยุตาปีตันยุตาหมายถึงว่ารู้จักปีติบ้างไม่ใช่แห้งแรงบอกว่าในโคปาละกะสัสโซนในกล่าวว่า อองอันหนึ่งของคนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักท่าให้โคดื่มรู้จักท่าให้โคดื่มสมมติว่าเลี้ยงโคไปเรื่อยๆไม่ให้ไม่ให้โคดื่มน้ําเลยอะไรจะเกิดขึ้นดีไหมไม่ดีฉันใดพระพิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้ามีใจแห้งแล้งอับเฉาไม่ค่อยเจริญแล้วก็เข้าไปหากาลยานมิตรสมัยนั้นเป็นสมัยที่ต้องอาศัยการยานมิตรเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่เข้าไปหาจานดอกเข้ออะไรบอกพราะไม่ค่อยสบายใจเหมงอนกันสบายใจแะไปทําไม ใช่ไหมถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปหาทําไมเหมือนกับว่าคนเนี่ยนะถ้าไม่ป่วยไม่รู้จะไปหาทําไมหมอใช่ไหมชันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันคนที่เป็นกาลยานะมิตรติดทันอยู่ตัวนี้หมายถึงว่าเหมือนกับท่าครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับท่าก็คือเข้าไปเลือกเอาสิ่งที่ทําให้ตัวเองเกิดปีติและปราโมทได้สมัยก่อนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสมมติถ้ากรรมฐานไม่จเจริญเริ่มมีปัญหาตะกิดตะขวงใจก็เข้าไปหา อาจารย์ก็สบายกลับมาเจริญต่อไปปีตัญญุตาเนแ่แหละเป็นปัจจัยของปัตตัญญุตาคำว่ารู้ปีติเกี่ยวกับสปายะธรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งการผู้รู้ธรรมที่ได้บรรลุคือปัตตัญญุตาเนี่ยนะการบรรลุธรรมปัตตัญญุตาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแห่งความเพียรของพิเเป็นปัจจัยที่สาคัญที่เกิดให้เกิดองค์ของพิษุผู้บำเพ็ญเพียร ปัจจัยที่ทำให้บําเพนเพียนมีอะไรบ้างมีศีล น, นะมีศีลการคบกัลยาณมิตรเนี่ยนะ เ, เป็นผู้อขอไปกัลยาณมิตรทำให้มีศีลมีศีลปรารบความเพียนได้กระถาวถัตถุแล้วก็มีปัญญาผู้นี้ถือว่าเป็นองค์ของพิโสผู้บําเพนเพียนหรือเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีเป็นต้นถ้าอีกในหนึ่งตามอังคุตระนิกายเขาบอกว่า องค์ของภิกษุผู้ทำความเพียรเนี่ยมีศรัทธาสองอาพาธน้อยสเป็นคนที่ไม่โอ้วดไม่มีมายานเป็นคนที่ซื่อตรงว่าง่ายเป็นคนที่ปรารบความเพียรและมีปัญญาข้อสุดท้ายคือมีปัญญาอันนี้อยู่ในโพธิราชคูมานสูตรเนี่ยนะหนึ่งมีศรัทธาสองสุขภาพดีสมไม่อ้วดไม่มีมายาสี่ปรารบความเพียร 5. มีปัญญา สรุว่าองค์ของผู้ที่ประพฤติความเพียรหรือองค์ของผู้ทำความเพียรจริงๆก็เนื่องจากมีปัตตันยุตาหมายถาว่ารู้จักธรรมที่ตัวเองสามารถจะบรรลุได้ที่มีปัตตันยุตาอย่างนั้นก็เพราะเนื่องจากมีปีตันยุตารู้จักฟีติที่เกิดจากสปายะปีตันยุตาตัวนั้นก็มาจากติดทันยุตตาท่านกาลยานามิตรเขาจึงกล่าวว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พรานถ้าเรารู้จักครบกลยานามิตร เราก็จะได้ปีติปราโมทปีติปราโมทก็ทำให้เกิดการบรรลุได้พูด เ, เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองบรรลุเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองบรรลุก็จะมาอยูอ่มีองคุณของผู้ที่สมควรที่จะบรรลุก็ปฏิบัติกปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุปฏิบัติธรรมเพื่อการตรัสรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปริขาเนี่ยนะเป็นบริขารมันคนที่จะ ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะองค์ของผู้ที่ประกอบความเพียรเนี่ยนะจะต้องรู้ว่าตัวเองเพียรอะไรอยู่จะต้องมีความเข้าใจว่าปฏิบัติอะไรบรรลุอะไรเป็นต้นจะต้องทำปัดตันยุตาต้องทำความเข้าใจในสิ่งนั้นเป็นอย่างดีมันบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ า, ารีบเดินทางแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนดีไหมนะเร่งมากเลยนะเตรียมอุปกรณ์สเสบียงพร้อมหมดแต่ยังไม่รู้ว่าไปไหนอันนี้ก็ ไม่ดีฉันใดผู้ที่จะบรรลุธรรมก็เหมือนกันที่จะโอ้พร้อมที่จะปฏิบัติแล้วล่ะนะหลายคนก็บอกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติเต็มที่แล้วปฏิบัติอะไรนะนนี้ต้องมาเข้าใจคําว่าปัตตันยุตาก่อนเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองบรรลุเอาแล้วที่ตัวเองบรรลุทําไมตัวเองปรารถนาที่จะบรรลุแบบนั้นอะ่ะก็เพราะได้ปีติปราโมทจากสิ่งนั้นมาเข้าใจว่าถ้าบรรลุสิ่งนี้ดีแน่ อา้าวที่ที่เข้าใจที่ปีติแบบนั้นเพราะอะไรเพราะอธิบายได้รับฟังคําอธิบายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหตุผลเนี่ยนะคือเข้าใจเหตุผลจากคนที่เขาแนะนําเป็นอย่างดีอย่างเช่นคนสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปฝ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เขาเกิดการ เ, าเห็นแจ้งสมาฐานอาถรรพ์ราเริงด้วยทํามีกระถาเขาเกิดปี ต, ติปราโมทย์ในในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดง แล้วเขาก็เข้าใจด้วยนะว่าเอกสิ่งที่บรรลุคืออะไรทีนี้เขาก็มีองค์องค์ของผู้บรรลุวาเขาทำยังไงจึงจะเป็นการเตรียมพร้อมปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าพวกนี้เขาเข้าใจเหตุปัจจัยเป็นอย่างดีเมื่อเขาเข้าใจเหตุปัจจัยเป็นอย่างดีนั่นแหละเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าคนฉลาดเนี่ยนะผู้มีปัญญามันการเรียน บริขาระหาระเราต้องเข้าใจบริขารของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเหตุของแต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากอะไรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนจักรคูวิญญาณเนี่ยนะจักรคูวิญญาณอาศัยอะไรเกินอาศัยจักขคูและรูปจึงเกิดจักขคูวิญญาณจักขคูภาษาธาเนี่ยนะเป็นอธิปติปัจจัยแก่จักขคูวิญญาณนะอธิปติ แปลว่าใหญ่นะอธิบดีนี่แปลว่าใหญ่ถ้าไม่มีตาสักอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีจักรคู่ภาษาถ้าเห็นได้ไหมถ้าตาบอดแล้วก็จบเลยนะทำอะไรได้ถ้าตาบอดอา่าเรียกว่าตาดีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดจกักรคูวิญญาณสีทั้งหลายก็เป็นอา ร, รัมมณปัจจัยของจกักรคูวิญญาณแสงสว่างก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยของจักรคู่วิญญาณมนุิการเนี่ยนะอวชนะอวชนะ กิริยามโนท่าก็คืออาวัชนะที่มีเหตุสภาพเหมือนกันนะนอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเหตุของจักขุวิญญาณตัวปัจจัยมีอะไรบ้างปัจจัยของการเกิดจักขุวิญญาณเนี่ยนะตัวปัจจัยคือตาสีแสงสว่างอันนี้เป็นปัจจัยตัวอาวัชะเนี่ยนะอาวัชนะเพื่อจะเห็นตัวนั้นเป็นเหตุ เพราะคําว่าเหตุนิยามของคําว่าเหตุคือตัวที่อยู่ใกล้ๆกันปัจจัยที่อยู่ใกล้ๆกันหรือสิ่งที่ในแนวเดียวกันเหมือนกันะสิ่งที่เหมือนกันเช่นว่าจักรคูวิญ ญ, ญาณ น, นี้เป็นจิตใช่ไหมตัวที่เกิดก่อนจักรคูวิญ ญ, ญาณก็ต้องเป็นจิตเพราะเหตุเหตุกับผลก็คือสิ่งเดียวกันหมาย ว, ามว่าคล้ายกันหมาย ว, ามว่าในแนวเดียวกัน่นะ นี่ก็เหมือนกันบอกว่าสังขารทั้งหลายมีปุญญาพิสังขารเป็นต้นเป็นปัจจัยของปฏิสนธิวิญญาณปุญญาพิสังขารเนี่ยนะก็คือคืออะไรเจตนาเจตนาเท่าไหร่เรียกว่าปุญญาพิสังขารเจตนา15เป็นปุญญาพิสังขารคือมหากุศล8รูปาวจรกุศลหเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิวิญญาณในมนุษย์เทวดาและรูปประพรมทั้งหลาย ปุญญาภิสังขารคืออักุศลเจตนาอักุศลเจตนานำปฏิสนธิในอบายทั้งหลายหรืออเนญชาเนี่ยนะคืออรูปาวจรเจตนาก็เป็นปัจจัยแห่งอรูปปภมทั้งหลายทีนี้ถ้าถ้าปฏิสนธิของเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือผู้ที่เป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะก็มีปุญญาพิสังขารเป็นปัจจัยเพราะปฏิสนธิจิตของเราครั้งแรกในภพต่างๆเนี่ยนะ ท, ที่มาเกิดเป็นม네 น, นุษย์เนี่ยก็เพราะปุญญาพิสังขารเป็นปัจจัยเมื่อวิญญาณยังลงก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปอันนี้นีเป็นเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุนะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะชรามรณะนี่เป็นปัจจัยของโสกะโสกะเป็นปัจจัยของปริเทวะปริเทวะเป็นปัจจัยของทุกขทุกเป็นปัจจัยแก่โทมนัสโทมนัสเป็นปัจจัยแก่อุปายาตเนี่ยนะก็ก็เป็นปัจจัยสืบสืบสืบกันไปอย่างนี้แหละอันในี้ปัจจัยตัวนี้หมายถึงปัจจัยไหนไหนมายถึงเหตุนะหมายถึงปัจจัยที่เป็นเหตุเพราะสังขารเนี่ยถือว่าเป็นเหตุ คืออาสาธารณะเหตุของวิญญาณวิญญาณก็เป็นอาสาธารณะเหตุของแต่ตรงนี้ก็ใช้คำว่าเหมือนกันนะคือสภาคาันนะส ภ, สภาคากันนี่ก็คือเหตุแท้ละสังขารเป็นเหตุของวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุของนามรูปนามรูปเป็นเหตุขอ ง, ส, งสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุของภาษาภาษะเป็นเหตุของเวทนาเวทนาเป็นเหตุของ ตันหาตันหาเป็นเหตุของอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุของภพภพเป็นเหตุของชาติชาติเป็นเหตุของชรามรณะชรามรณะเป็นเหตุของโสกะโสกาเป็นเหตุของปริเทวะปริเทวะเป็นเหตุของทุกทุกเป็นเหตุของโทมนัสโทมนัสเป็นเหตุของอุปายาตอุปายาตก็เป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของอวิชชาอวิชชาเป็นเหตุของสังขารสังขารก็เป็นเหตุของวิญญาณก็สืบเนื่องกันไป ก็ชีวิตก็เลยยาวสังสารวัตก็เลยสืบเนื่องอยู่อย่างนี้ไอ้คำว่าเหตุมีชนะกับเหตุเหตุที่ทําให้เกิดเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าปริขานตัวเหตุตัวปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะทั้งเหตุทั้งปัจจัยนี่แหละเรียกว่าปริขานเพราะปรุงแต่งโดยประจักษ์เนี่ยนะปรุงแต่งให้โดยประจักษ์โดยเห็นเห็นแล้วก็เป็นการปรุงแต่งโดยสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะสืบๆกันไปอย่างนี้แหละ พระมหากระจายนะจึงบอกว่าธรรมมีอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่ปัจจยุปนธธรรมมีสังขารเป็นต้นนะนนี้ก็ลักษณะของปริขาระหาระอันผู้ที่เข้าใจปริขาระหาระนี่จะต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุและอะไรคือปัจจัยอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่อยู่อ้อมๆที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเหตุก็คือตัวตรงๆปัจจัยก็คือสิ่งที่อยู่ อ้อมๆแต่ว่าไอ้ถ้าไม่มีอ้อมตรงก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเลยนะถ้าอย่างเหมือนว่าผิวถนนเนี่ยนะเป็นเหมือนกับว่าเหตุตรงๆให้รถวิ่งอ่ะแล้วถามว่าไอ้ทรายที่อยู่ข้างล่างข้างล่างคันถานอ่ะที่ถมถมถนนอ่ะมันก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะเพราะทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันโดยเหตุและโดยปัจจัยมันทุกอย่างในโลกนี้เป็นสังขารธรรมสังขารธรรมทั้งหลายก็มีเหตุและมีปัจจัยการที่สามารถ เข้าใจได้ถึงเหตุและปัจจัยของสิ่งทั้งหลายได้นี่แหละเรียกว่ารู้จักบริขารโดยเฉพาะบริขารของวัตตะนะบริขารของสังสารวัฏการเรียนปริขารหาระกับเรียนว่าสัพเพสัตตาอาหารติติการก็คืออันเดียวกันนั่นแหละพวกนี้เป็นลักษณะของปริญยญาธรรมรอบรู้สภาวะธรรมเหล่านั้นพร้อมทั้งเหตุและปัจจัยว่าเหตุของปัจจัยสิ่งเหล่านั้นเกิดจากอะไรนี้เป็นปริขารหาระเนี่ยนะ